ผีผู้หญิงในห้องน้ำ ส, สัมผัสสยองเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในโรงเรียนที่เมเรียนอยู่เม้กับเพื่อนอีกห้าคน ชอบจับกลุ่มคุยเรื่องราวสยองขวัญกันอยู่เป็นประจำพวกเราทั้งหกคนค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษจึงมักจะเห็นวิญญาณหรือเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งตั้มเพื่อนในกลุ่มได้เดินเข้ามานั่งกลางวงที่กำลังสนทนากันอยู่ตั้มมีท่าทีหวาดกลัวเงือแต่หน้าซีดเขาเอ่ยขึ้นมาว่า เมื่อกี้ตอนที่ไปเข้าห้องน้ําได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้ขนลุกจนติดตาพวกเราเขยิบเข้าไปใกล้ตั้มด้วยความสนใจในทันทีตั้มเริ่มเล่าให้ฟังว่าตอนที่เดินเข้าไปในห้องน้ําก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยขณะที่กําลังเดินเลือกห้องอยู่นั้นหางตาก็เหลือบไปเห็นร่างของผู้หญิงสวมชุดสีขาวยืนหยุดตรงหน้าห้องน้ําด้านในสุด เธอก้มหน้าอยู่และมีผมดํายาวปิดหน้าเอาไว้ในขณะนั้นเองเธอก็ค่อยๆหันมาทางต่ำอย่างช้าๆด้วยความตกใจต่าจึงรีบกระโดดเข้าไปในห้องน้ําที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วล็อกประตูแน่นบรรยากาศโดยรอบเงียบสนิทเขาหลบอยู่ในห้องน้ํานั้นอยู่นานตอนนั้นตัํากลัวมากภาวนาให้มีใครสักคน เข้ามาในห้องน้ำเพื่อที่เขาจะได้ใช้โอกาสตรงนั้นออกไปจากห้องน้านี้เสียทีแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าห้องน้ำตามมาเลยตัมพยายามรวบรวมความกล้าเปิดประตูแล้ววิ่งหนีออกไปจนอยู่ในสภาพอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละเพื่อนในกลุ่มร้องออออาด้วยความตื่นเต้นแล้วเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าเธอก็เคยได้ยิน เรื่องผีผู้หญิงในห้องน้ำด้วยเหมือนกันเป็นวิญญาณหญิงสาวที่ตายใกล้ๆกับห้องน้ำเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเป็นข่าวดังมากในโรงเรียนแต่คนที่รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนพยายามปิดเรื่องนี้เอาไว้แต่ก็มีนักเรียนหลายคนบอกว่าพบเห็นวิญญาณผู้หญิงในห้องน้ำอยู่บ่อยๆเมื่อได้ยินดังนั้นหมด เพื่อนผู้หญิงที่มีสมัมผัสแรงที่สุดในกลุ่มก็เกิดอยากเห็นขึ้นมาจึงชักชวนเพื่อนๆในกลุ่มไปลองพิสูจน์กันดูส่วนเราเองไม่่อรเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องตามไปได้วยความจำใจจึงเดินรั้งหายเพื่อนๆไปยังห้องน้ำที่ลือกันว่าเฮี้ยนหนักหนาพอไปถึงก็เข้าไปแต่ละคนก็พูดจา high, ท้าทายทานองที่ว่าออกมาให้เห็นหน่อย อยากเจอแต่เมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหมดที่มีท่าทางกล้าหาญกว่าเพื่อนจึงตะโกนไปยังกระจกของห้องน้ําแต่แล้วเธอก็ต้องชะงักและเงียบไปเพื่อนคนอื่นๆจึงหันไปมองกระจกแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นมันก็ทําให้ทุกคนขวัญผวาและช็อกไปตามๆกันแต่ละคนกรีดรอ้องโวยวาย บางคนเอามือปิดหน้าวิ่งร้องไห้ออกไปมีเพียงแต่เราเท่านั้นที่ไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่เห็นเพื่อนวิ่งห น, นีไปก็วิ่งตามเพื่อนออกไปบางเมื่อทุกคนวิ่งเข้าห้องเรียนแล้วเราจึงให้เพื่อนเล่าเหตุการณ์ในห้องน้ำให้ฟังมดบอกว่าตอนที่เข้าไปในห้องน้าพอเธอตะโกนท้าทายแล้วก็มองไปที่กระจกห้องน้ำ เธอเห็นตัวเองในกระจกแต่ใบหน้าในกระจกไม่ใช่ใบหน้าของเธอมันกลับเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเลือดผู้หญิงคนนั้นจ้องมองตาทะลนมาที่เธออย่างโกรธแค้นมันน่ากลัวมากเพื่อนคนอื่นๆก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอคล้ายกันกับหมดทุกคนกลัวจนไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำที่นั่นอีกมีเพียงแต่เราเท่านั้น ที่ไม่ได้ตะโกนท้าทายจึงไม่ได้เจอผีผู้หญิงในห้องน้ำอย่างที่เพื่อนเพื่อนของเธอนั้นเจอหลังจากที่เพื่อนๆในกลุ่มของเราทั้งห้าคนได้เข้าไปท้าทายวิญญาณในห้องน้ำของโรงเรียนและได้เจอใบหน้าผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเลือดในกระจกห้องน้ำทำให้เพื่อนๆนของเราเข็ด จ, จนไม่คิดที่จะกลับไปลองดีอีก จนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปตอนนั้นเป็นเวลาพักเที่ยงหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จก็มานั่งอยู่ในห้องเรียนเห็นเพื่อนอี ก, กลุ่มหนึ่งนึกอยากเล่นผีถ้วยแก้วกันแต่เนื่องจากไม่มีแก้วจึงมีคนเสนอให้ใช้เหรียญบาทแทนซึ่งคนที่เสนอบอกว่าถ้าเล่นเสร็จแล้วต้องเอาเหรียญไปฝังไว้ใต้สารพระภูมไม่อย่างนั้นคนเล่นจะมีอันเป็นไป ด้วยความอยากลองเพื่อนๆกลุ่มนั้นจึงเอาเหรียญบาทออกมาเล่นบนกระดานซึ่งวิญญาณที่เชิญมาเล่นผีถ้วยแก้วในครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นวิญญาณผู้หญิงในห้องน้ําอันโด่งดังขณะที่เล่นกันอยู่เพื่อนกลุ่มนั้นก็ถามคําถามหลายอย่างบางคําถามก็เป็นคําถามกวนๆคล้ายจะลบหลู่วิญญาณเราที่นั่งอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงพูดของเพื่อนกลุ่มนั้น ดังมาแววแววว่าวิญญาณผู้หญิงในห้องน้ำเธอชื่อพึง่งตายตอนอายุ24ปีแต่ยังไม่ทันที่เพื่อนกลุ่มนั้นจะได้ถามถึงสาเหตุการตายก็มีเพื่อนอีกคนมาแกล้งชนโตทำให้เหรียญหลุดกระเด็นตกกลิ้งลงไปที่พื้นเราซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะไกลๆเห็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งแอบเก็บเหรียญซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกง เพื่อที่จะแกล้งเพื่อนกลุ่มที่เล่นผีถวยแก้วให้ตกใจกลัวเพราะถ้าเหรียญหายไปทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เชิญวิญญาณออกและไม่ได้เอาเหรียญไปฝังไว้ใต้สารพระภูมิคนเล่นจะมียานเป็นไปขณะที่ทุกคนที่เล่นผีถวยแก้วกำลังหาเหรียญอยู่นั้นเพื่อนที่แกล้งเก็บเหรียญไปก็บอกว่าโยนออกนอกหน้าต่างไปแล้วเราเห็นดังนั้นก็คิดที่จะบอกความจริง ว่ามีคนเก็บเหรียญไปแต่แล้วเราก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวริมฝีปากคร้ำจนแทบจะเป็นสีดำเธอชี้นิ้วมาที่เรามือนั้นขาวซี่มีเล็บสีดำเธอพูดวยดน้ำเสียงที่น่ากลัวว่าถ้ามึงบอกใครมึงตายเราตกใจมากขณะที่กำลังหวาดผวาอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงเพื่อนที่เล่นผีถ้วยแก้วคนหนึ่งร้องไห้ที่หาเหรียญไม่เจอเราสงสารเพื่อนอยากบอกให้รู้ว่าเหรียญอยู่ที่ใครแต่ใบหน้าของผีตนนั้นก็ยังจ้องมองเราอยู่ตลอดเราจึงเบือนหน้าหนีแล้วเดินออกจากห้องไปสุดท้ายเพื่อนคนที่แกลงก็ยอมคืนเหรียญให้พวกที่เล่นผีถ้วยแก้วจึงรีบเชิญวิญญาณออก แล้วเอาเรียนไปฝังไว้ใต้สารพระภูมิของโรงเรียนหลังเลิกเรียนเราลองถามเพื่อนสนิทที่นั่งเรียนข้างๆกันว่าเห็นอะไรแปลกๆตอนที่เพื่อนๆเล่นผีถ้วยแก้วกันหรือเปล่าเพื่อนพยักหน้าแล้วบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวตรงนอกหน้าต่างบานที่สามเธอมองเข้ามาในห้องจ้องมอง พวกที่กำลังเล่นผีถ้วยแก้วด้วยสีหน้าโกรธแค้นเราคิดว่าเพราะเพื่อนๆไปลบหลู่วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นจึงทาให้เจอดีกันเกือบทั้งห้องไม่เว้นแม้กระทั่งตัวของเราที่ไม่ได้ร่วมวงเล่นผีถ้วยแก้วกับเขาด้วยพอกลับมาถึงบ้านเราจึงเดินไปห้องพระและสวดมนต์แผ่เมตตาให้วิญญาณผู้หญิงในห้องน้า มันทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นคืนนั้นเองเราก็ได้ฝันว่ากาลังเดินไปเข้าห้องน้านั้นบรรยากาศรอบตัวมืดมิดมีเพียงแสงไฟสลัวสลัวและอากาศที่เย็นเชียบพอเราก้าวเดินเข้าไปในห้องน้ำก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกาลังนอนอยู่บนเตียงซึ่งเตียงนั้นมันเป็นเตียงคนไข้ ตอนนั้นเรายืนหยุดตรงปลายเท้าของเธอขณะที่กําลังช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าเธอคนที่นอนอยู่บนเตียงนั้นก็ค่อยๆเอ็นตัวลุกขึ้นมานั่งใบหน้าเธอเหมือนกับคนที่ป่วยหนักมากเธอพูดกับเราว่าที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนเธอตายตรงนี้ด้วยความทรมานและเธอไม่ต้องการให้ใครมายุง่งรบกวนหรือลบหลู่เธอ ไม่อย่างนั้นเธอจะเอาคนคนนั้นมาอยู่ด้วยหลังจากที่เธอคนนั้นพูดจบเราก็ตกใจตื่นขึ้นเงื่อท่วมตัวคิดว่าสิ่งที่เราฝันมันคือเรื่องจริงหรือเราคิดมากไปเองเราหันไปมองนาฬิกาก็เห็นว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสองแล้วจึงนอนต่อแล้วพยายามข่มตานอนให้หลับคิดว่าพรุ่งนี้เช้า จะต้องไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆนฟังจะได้ไม่มีใครคิดลองดีกันอีกเวลาผ่านไปจนเราจบการศึกษาจากโรงเรียนนั้นก็ได้มีการปรับปรุงห้องน้ำครั้งใหญ่ซึ่งเราหวังว่ารุ่นน้องรุ่นต่อต่อไปคงจะไม่เจอวิญญาณผู้หญิงในห้องน้ำนั้นอีกแล้ว พัฒสยง